พระอนุบัญญัติหนึ่งภิกษุณีได้ไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวหรือข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษที่ชื่อว่าปัทมาปฏิกะนิสรณีิยะสิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีสองรูปจบ